ก็ขอบคุณพระเจ้าฉลับในวันนี้จริงๆถ้าตามปฏิทินผมก็ไม่ได้เทศตามปฏิทินของของสภาคิดจักรนะครับว่าตามปฏิทินของสภาคิดจักรวันนี้ก็กําหนดให้เป็นวันขอบคุณพระเจ้านะครับวันขอบคุณพระเจ้านะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้พะธรรมตอนนี้โดยโดยตรงก็นึกถึงเรื่องนี้เมื่ออาทิตย์ก่อนก็พูดที่บึงพระพรบางท่านก็อาจจะเคยฟังเป็นรอบที่สองว่าในเรื่องของคิดจักร ที่มีสง่าราศีนะครับวันนี้ก็เลยเอาขออนุยาเอารูปของคิดคุณานุกูลมาลงอาจารย์ภาพอาจจะไม่ชัดเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเราก็นึกถึงบทของเราว่าคิดจักที่มีสง่าราศีเป็นยังไง <c oughs> นะครับคิดจักที่มีสง่าราศีเป็นยไงอาจารย์ในวิาลภพิสธรรมแมคคินวารีท่านหนึ่งนานมาแล้วได้ออกข้อสอบให้นักศึกษาข้อดึง ว่าจงอธิบายว่าการมานมัสการพระเจ้าในแต่ละอาทิตย์นั้นต่างจากไปชมรมไปสโมสร อ, อย่างไรบ้างให้นักศึกษาไปคิดเต็มที่นะครับบอกว่าการมานมัสการพระเจ้าในแต่ละอาทิตย์นั้นนะต่างจากที่เราไปชมรมไปสโมสร อ, อย่างไรบ้างหลายคนเป็น สมาชิกของลอตตรี่บ้างอินเตอร์แรกหรืออะไรไม่ใช่รถไ ล, ล, ลออนบ้างหรือชมรมอื่นๆบ้างบางทีก็นัดกันทุกวันอะไรพฤหัสวันอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปไ ป, ไปกันแต่ผมอยู่นคร ก, ก็มีเพื่อนชวนเยอะผมก็ปฏิเสธตลอดก็เลยไม่ไปผมบอกว่าก็พอเป็นกองหนุนก็แล้วกันนะ <laughs> คือถ้าไปทุกสัปดาห์ก็คงไม่ไหว คำถามกวอาจันนี้ก็เลยเป็นข้อสกิดใจว่าการมนุัสการพระเจ้าแต่ละทิศแต่ละทิศเนี่ยของเราเนี่ยต่างจากไปสโมสรไปชมรมอะไรบ้างบางทีสโมสรหรือชมรมบางทีไปในแต่ละทิศเนี่ยไปถึงก็อะไรครัก็อาจจะมีการประชุมมีรายงานจ่ายค่าบำรุงจ่ายค่าชมรมอะไรเสร็จเรียบร้อยก็กลับทีแากเรามาบทแต่ละทิศแต่ละทิศเนี่ย มานวัสกรรมพระเจ้าแต่ละทิศแต่ละทิศเนี่ยอันต่างกันไหมหรือเรามาเหมือนมาสมโมสรมาชมรมมาประชุมมาฟังฟังฟังฟั ง, ฟงอาจารย์บรรยายสมมติมาเป็นบรรยายก็แล้วกันนะฮะบรรยายบรรยายทำหรือบรรยายอะไรก็แล้วแต่บรรยายบรรยายเสร็จอาบำรุงชมรมใช่หน่อยก <c oughs> <c oughs> ็ถวายถวายแล้วก็ทานข้าวแล้วก็กลับที่บางชมรมก็มีกิจกรรมอีกเยอะ ออกไปแจกนูน่นแจกนี่ไปทำนูน่นทำนี่และบางทีในคิดจักของเราก็มีอีกเยอะวันนี้ก็ส่วนหนึ่งผมก็เอามาจากบทความของท่านจันประสิทธิ์แซ่ตั้งเขาบอกว่าเก้าอาการของคิตจักที่ติดเชื้อในกระแสะเลือดลองดูเดี๋ยวนี้โรคิดก็ติดเชื้อในกระแสะเลือดนเราลองดูนะครับพระธรเทศสัสบทที่ห้าเขายี่สิบเจ็ดว่าเพื่อพระงคจะได้มีคิจักที่มีสง่าราศี ไม่มีตําหนิริ้วรอยหรือมนทิดใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตําหนิ <c oughs> เราทราบดีว่าพระธรรมเอเฟซัสก็เป็นจดหมายของท่านอาจารย์เปโตรที่เขียนไปถึงขีจักที่เอเฟซัสในขณะที่ท่านจําพุกบอกว่ามีสี่เล่มด้วยกันที่เป็นจดหมายที่ท่านเขีย น, นขณะจําพุกบคือเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสีและฟิเลโมนเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสีและฟิเลโมนก็ คงไม่ต้องพูดเลยครับว่าเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่อยู่ในคุกเขียนจดหมายเอาไปหนุนใจเอาไปบอกคนนอกคุกส่วนใหญ่คนนอกคุกจะไปเยี่ยมคนในคุกไปให้กำลังใจบอกและอดทนนะอดทนนะนะแต่ฌานาโลต่างกันเพราะท่านติดคุกนั้นไม่ได้เพราะท่านไปทำผิดแต่ท่านติดคุกเพราะท่านประกาศเรื่องของพิสศ์ เพราะท่านประกาศพระกิตติคุณท่านประกาศข่าวดีของพระคริสต์นั้นท่านจึงมีความชื่อชมินดีท่านติดคุกท่านก็ไม่กลัวไม่เหมือนหลายคนติดคุกเพราะว่าไปทําผิดทําในสิ่งที่ไม่ดีแต่จันเปโรทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ชอบทํานั้นท่านอยู่ในคุกท่านก็ขอบคุณพระเจ้าท่านก็เชื่อชมินดีได้ท่านก็เขียนได้แม้แต่ในพระธรรมฟิลิปปีต่างๆในพระธรรมเปโตรก็เหมือนกันนะครับท่านก็เขียนที่จะหนุนใจคริสเตียนให้ ดิบอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและส่วนหนึ่งที่นี่ตอนหนึ่งที่นี่ท่านก็ได้พูดถึงการเป็นคิดจักที่มีสง่าราศีไม่มีตําหนริ้วรอยหรือมนทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราจากตำแหนเมื่อเราคิดถึงคิดจักเราก็คิดถึงสองสองมิติสองภาพคือคิดจักที่เป็นตัวบุคคลก็คือตัวเราเพราะเราทราบดีว่าเราทั้งหลายเป็นวิหารของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวก็ พี่เยซูก็บอกกับเปโตรว่าบนศิลานี้เราจะสร้างคิดจักรก็คือเมื่อเปโตรสารภาพเมื่อเปโตรยอมรับพี่เยซูคิดส่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าพี่เยซูก็บอกว่าบนศิลานี้คือบนเปโตรนี้เราจะสร้างคิดจักรของเราและพลังแห่งความตายจะมีชายต่อคิดจักรก็หาไม่ได้พระธรรมหนึ่งโครินก็เลยเน้นย้ำเราว่าท่านไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่ในท่านก็คือคิดจักรที่เป็นเป็นตัวเรา ที่เป็นตัวบุคคลแต่ละคนแต่ละคนะนั้นถามว่าคิดจักอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราคิดคุณนานุกูลที่นี่เป็นโบสเราเรียกว่าอาคารเป็นโบสถ์นคะครับส่วนใหญ่บางทีเขาจะใช้ว่า อ, อ, อะไรบางทีก็วิหารคิดจักรหรือว่าโบสถคิดจักรตรงนั้นคิดจักรจริงๆก็คือตัวเรานี่ก็ในพระธรรมตรงนี้เขาบอกว่าเราเป็นพิหาร ของอพระเจ้าที่พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่นะครับ <c oughs> อีกอันหนึ่งก็คือคิดจากที่เป็นชุมชนคือหลายๆคนที่มาเชื่อที่ร่วมกันพระธรรมอเวสัสบท2สองข้อยี่สิบเอ็ดาจารย์พโลก็เน้นย้มว่าในปร่งนั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิทและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า นั้นเมื่อเรามองภาพของคิดจกักผมอยากให้เรามองสองมิติคือที่เป็นตัวเราแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนกับที่เป็นชุมชนที่เป็นหลายหลายคนเราคงไม่สามารถแยกจากกันได้โดยเด็ดขาดว่าเป็นตัวฉันแล้วนะคนอื่นก็อย่ายุ่งก็มันก็ปุกพันในเวลาเดียวกันเราก็มีส่วนร่วมกับคิดจกักนั้นคือ แจมพโลถึงบอกว่าในพุงโธนั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อการสนิทจเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระเจ้าคือหมายว่าแจมพโลได้เปรียบเทียบเหมือนโครงร่างในร่างกายของเราที่จเจริญเติบโตขึ้นเหมือนในโบสถ์ของเราเนี่ยครัเห็นไหมครับมีเสามีโครงมีหลังคามีอะไรมันประสานมันยึดกันถ้าต่างส่วนต่างอยู่หลังคาอยู่ที่หนึ่งเสาอยู่ที่หนึ่งฐานอยู่ที่หนึ่งก็คงไม่ได้ครับมันมันมันต่อเนื่องนั้นะจึงเป็นเป็นสองมิติ ที่สำคัญแล้วท่านอาจารย์ปโลกเน้นย้ํำว่าคิดจักเป็นคิดจักที่มีสง่าราศีนั้นสง่าราศีก็ไม่ได้หมายความว่าสร้างแพงๆหรูๆติดแอรหรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคลันแต่เป็นคิดจักที่ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าใครๆเห็นก็สรรเสริญองค์ผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นตัวเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องใส่เสื้อผ้าแพงๆหรูรๆหลายคนก็เห็นใน ในสารคาดีในแรงแต่งที่ออกมาพูดถึงว่าพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชแม้แต่รองเท้าของท่านชำรุดแล้วเสียแล้วท่านก็ยังอไปซ่อมอีกจนช่างบอกว่าซ่อมไม่ได้แล้วใิฟันพระรองหท้าก็ยังยังตัดแล้วก็ยังบีบออกก็จันกระทั่งว่าถ้าเราถามง่ายๆว่า ในระดับพระองค์ท่านนี้อย่างสบายเลยใช่ัหยครับมีคนอยากจะถวายมีคนอยากจะให้รองเท้าเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยมีคนอยากจะถวายเยอะแยะแต่พระองค์เป็นแบบอย่างนั้นกค่จักไม่จาเป็นครับตัวเราก็เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเสื้อผ้ายี่ห้อแพงๆหรูๆแต่ให้สะอาดให้ดูดี งั้นเป็นคิดจักรที่มีสง่าราศีคําว่าสง่าราศีไม่ใช่หมายคำว่าทาสีใหม่ติดแอเรื อ, รอต่างๆอย่างเดียวเป็นที่ไม่มีตําหนิริ้วรอยหรื อ, รอมนทินเป็นคิดจักรที่ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่แบ่งพักแบ่งพวกจนคนข้างนอกตําหนิไม่มีการเมืองในคิดจกักรเป็นคิดจักรที่เต็มไปด้วยความรักการให้อภัยสามัคคีธรรมความเป็นแน้ำหนึ่งจเจดียวกัน หรือพูดง่ายๆประกอบด้วยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือเป็นคิดจักที่มีมีตำแหนริ้วรอยอันนี้น่าสนใจนะหรือมวลทินคิดจักหลายแห่งที่บอกกะมีการทะเลาะเบาแบ้งกันแบ่งพักแบ่งพวกถ้ากลุ่มนี้มากลุ่มฉันจะแยกถ้ากลุ่มนี้อยู่ฉันผมก็ไม่ค่อยสบายใจหลายคิดจักที่มีลักษณะอย่างนี้ ฟังหลายครั้งที่คิดจักมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นผมถามไปตอนตอน้นว่าบางทีสมโมสรชมรมต่างๆเขาเข้าไปเขายังรู้สึกว่าเออไม่มีอย่างนี้แต่ตรงนี้บางคิดจกักแบ่งพักแบ่งพวกคนข้างนอกเขาก็ตำหนิการทะเลาะเบาแบงที่บริสุทธ คือเป็นคิดจักของพระเจ้าโดยเฉพาะคือเป็นคิดจักของพระเจ้าโดยเฉพาะไม่มีรูปเคารพ อ, อื่นเมื่อเราพูดถึงรูปเคารพเราอย่าไปพูดถึงแต่รูปแต่รูปเคารพ อ, อาจจะเป็นทั้งแต้งแต่ตัวเราเงินทองหรือสิ่งอื่นใดที่เราไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งและไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นศีรษะของคิจจักแต่เราเองเป็นที่หนึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจทีนี้ผม เอาเรื่องที่ผมบอกไว้ว่าเก้าอาการของคิดจักที่ติดเชื้อในกระแสะเลือดผมตรงนี้ผมก็คิดว่าคงเคยแบ่งปันกับบางท่านไปแล้วแล้วก็เคยแชร์ทัานไปแล้วอลองไปดูนะครับติดเชื้อในกระแสเลือดถ้ามันติดแล้วก็คือเดี๋ยวนี้คนตายมากฮนะแล้วก็การติดเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยเป็นได้ง่ายเมื่อก่อนะจําได้ไดเป็นเด็กๆ เ, เนี่ย เรากินน้ำจากไอ้ปลักวัวปลักควายไปข้างนอกเนี่ยไม่เห็นเป็นอะไรแต่เดี๋ยวนี้มีแผลมีอะไรนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่ไปหาหมอนี่ติดแส้เลือดเอาง่ายๆนะครับอันนี้ลองดูนะครับเก้าอาการของคิดจักที่ติดเชื้อในกระแสเลือดบอกว่าอาการติดเชื้อในกระแสเลือดมักเห็นได้ชัดในคิดจักรที่มีอายุสักระยะหนึ่ง อันนี้อาจารย์เขาเขียนแบบสุภาพนะอายุสักไร้นหนึ่งถ้าผมผมจะบอกว่าเป็นคิดจักเก่าแก่นะไม่มากจะมี น, นะครับคิดจักเหล่านี้จะค่อยๆเข้าสู่สภาวะที่ตายแล้วเป็นงั้นหรือเปล่าทั้งๆที่ททยังดําเนินกิจกรรมแบบซ้ําๆซ า, ากๆทุกวันทุกวันกน้าวอาการของคิดจักนี้เป็นอย่างนี้ไหมเราลองสํารวจด้วยกันนะครับว่าคิดกุณานุกุลเป็นอย่างนี้ไหมระการสมาชิกคิดจกักกลายเป็นผู้ชมไม่ใช่ผู้ชก คือเป็นไงครับเป็นกองเชียร์อาจารย์ไปเลยอาจารย์ไปเลยผู้ปกครองไปเลยไปเลยเป็นผู้ชมฮะเราเป็นคนชมข้างสนามแต่ไม่ใช่คนชกเหมือนคนดูมวยดูคอนเสิร์ตฟังเทสลรามาโอ้โหวันนี้ดีจังโอ oh, อาจารย์เอาเลยฟื้นฟูอาจารย์เอานั้นเอานี่แต่ว่าเราเป็นแค่กองเชียร์เป็นแค่ผู้ชมไม่ใช่ผู้ชก บอกแม้เจงคิจักไม่ต้องการให้สมาชิกเป็นคนเชียร์เป็นคนเชียร์มวยแต่คิดจักต้องการนักมวยที่ออกไปชกกับสถานการณ์ชีวิตประจำํำวันคือต้องการครับต้องต่อสู้เพื่อชีวิตของสมาชิกแต่ละคนจ ะ, จะเจริญเติบโตแข็งแรงและเกิดผลเพื่อคิดจักจะมีชีวิตและเกิดผลตามาพระประสงค์ของคริสเป็นงั้นไหมในยุบายหนึ่งที่มิชนารีมอบบางราักฐานไว้กับสภาคิดจักคือ เลี้ยงตนเองปกครองตนเองและประกาศภักดีต่คุณด้วยตนเองคิดจากไครบางทีเลี้ยงตัวเองได้นะฮะปกครองตัวเองได้อยู่แต่ประกาศภักดีต่คุณด้วยตัวเองเนี่ยยังน้อยต้องมีเกาหลีมาช่วยเราเรายังต้องมีต่างประเทศมาช่วยเราอีกเยอะ ท, ทั้งทั้งที่คริสเตียนเข้ามาสู่ประเทศไทยก่อนเกาหลีด้วยซ้ําว่าเปอร์เซ็นต์ของคริสเตียนใน อาเซียนของเราเนี่ยเรามีเปอร์เซ็นต์ลัง้ายแม้แต่อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมปเปอร์เซ็นต์คริสเตียนก็มีมากประเทศลาวประเทศเขมรก็เจริญเติบโตขึ้นลาวเนี่ย ป, ปีปีหนึ่งนะครับผมไปเยี่ยมหลายครั้งผมก็อายครับเหมือนกันเนะขารายงานว่าแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนี่ยคนกลับใจรับเชื่อเนี่ยเป็นยี่สิบสามสิบนะในแต่ละอาทิตย์ปีปีเป็นหมื่นนะคร คพลเมืองเรามีไม่เท่าไร่ฮะแต่กัมตูชามีมากกว่าคนไทยเพราะคนไทยเราบังเลี้ยงตัวเองได้ปกครองตัวเองได้เพราะเรามีธรรมนูญแล้วระเบียบปกครองแต่การประกาศพระกิตติคุณของเราหยุดอ่อนสิ่งที่สองข้อมูลความรู้ไม่มีอิทธิพลต่อการเมืองชีวิตสิ่งที่สอนสิ่งที่อ่านแล้วมีการอ่านเรียนท่ามพีไหมเรียนอ่านไหมอ่าน เป็นเพียงข้อมูลเป็นเพียงความรู้เท่านั้นแต่กลับไม่ได้เกิดผลในการดำเนินชีวิตของเราเลยครับไม่ได้นําไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดสัปดาห์ทั้งชีวิตในครอบครัวในที่ทํางานความสัมพันธ์กับเพื่อนการมีชีวิตอยู่ในชุมชนจึงไม่แปลกสิ่งที่พูดกันในคิดจักกลายเป็นอีกโลกหนึ่งต่างหากก็เหมือนคำว่าโลกของคิดจักอยู่ที่นี่สิ่งที่สอนสิ่งที่เทศสิ่งที่อะไรต่างๆดีๆอยู่ที่คิดจัก แต่ไม่ได้กลับไปที่ทํางานไม่ได้กลับไปบ้านไม่ได้กลับไปสู่ครอบครัวความรู้เรามีการอ่านเรามีการอธิษฐานมีการเรียนพระธรรมปีแต่ทั้งหมดอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่โบสถ์แล้วเราก็กลับบ้านใช้ชีวิตของเราปกติสิ่งเหล่านี้ไม่ได้กลับไปประการที่สามคือมัวสนใจตนเองแต่ไม่ใส่ใจชุมชนบอกว่ามัว่องกระจก แต่ไม่มองไปข้างนอกหน้าต่างคือสนใจแต่ตัวเองครับหลายต่อหลายก็จักมัวสนใจกับตัวเองเรื่องในคิดจักเท่านั้นจะสร้างอะไรดีจะสร้างอะไรดีจ ะ, ระรดจะทำโ น, น้นดีจะซื้อรถดีไหมจะสร้างอันนั้นดีไหมจะทำอันนั้นดีไหมจนเราลืมมองไปข้างหน้าเหมือนกับคนที่มองตัวเองในกระจกเพียงแต่สนใจรูปร่างลักษณะของตัวเองโอ้ดีแล้วนี่อะไรดีนะแต่เราไม่สนใจไปข้างนอก สมาชิกละเลยไม่ใส่ใจชุมชนแล้วดูครับไม่ชนารีมาแรกๆเขามาเขาสนใจมองชุมชนนี้เหรอคนไทยอ่านหนังสือไม่ได้น่าจะมีโรงเรียนนะคนไทยเจ็บ ป, ป่วยน่าจะมีโรงพยาบาล น, นะคนไทยไม่นี่ยนะคือมองไปที่ชุมชนแต่ว่าคิดจากของเราทุกวันนี้เราสนใจตนเองเราไม่ได้สนใจชุมชน <c oughs> เราสนใจตัวเองเหมือนกับผู้ที่ จากมือแต่ซองกระจกเพื่อแต่งองค์ทรงเครื่องตนเองแต่ละเลยที่จะจ้องมองไปนอกหน้าต่างเพื่อจะมองคนอื่นคริสต์มาสแล้วแม้ว่าคริสต์มาสปีนี้เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนลุปแบบบ้างเพราะอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์ปรับเปลี่ยนลุปแบบแต่จริงๆคริสต์มาสเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะออกไปหาคนอื่น ง่ายที่สุดนำคนความรักของพระเจ้าไปถึงคนอื่นง่ายที่สุดคริสต์มาสอะเราไปแบบไม่เคะเขินเลยคริสต์มาสของเราเนี่ยเราไปแบบได้สบายเลยแต่หลายครั้งคริสต์มาสผมพูดหลายครั้งแล้วว่าเรามัวสนใจตัวเองเราจะกินโต๊ะจีนหรือโต๊ะไทยดีหรือโต๊ะลาวดีซื้ออะไรดีเราจะตกแต่งโบสถ์ยังไงดี เราจะงบประมาณจากไหนเราลืมสนใจคนข้างๆว่าเราจะนำาัตรกิตติคุณนำข่าวดีไปถึงคนอื่นอย่างไรไม่ไม่เชิญใครนะเราทานแต่พวกเราดีไหมคือเราสนใจตัวเองน่าจะเป็นโอกาสอันดีในคริสต์มาสผมว่าคริสต์มาสเป็นโอกาสดีมากอย่างที่โรงเรียนเเราถือว่าคริสต์มาสเป็นอันดีมากที่เราจะบอกกับคนอื่นได้ง่ายง่ายมาก และคนอื่นก็เต็มใจที่จะต้อนรับเราเปิดใจที่จะต้อนรับเราง่ายมากบอกว่าโอ้ค oh, ริสมาสมรืคริสมาสเราไปหาเขาบอกที่จะให้ใบปลิวให้เลยแต่วันธรรมดาเนี่ยเราอาจจะยังรู้สึกยากองรักโลกแต่เราสนใจแต่ตัวเองลืมสนใจชุมชนสี่ <c oughs> เป็นคิดจากที่ผูกพันแต่ไม่ยอมผูกมัดตัวเอง เป็นไงนี้ไหมครับปัจจุบันเรามีสมาชิกคิดจักที่มีความผูกพันกับคิดจักคือยอมรับว่าเป็นสมาชิกของคิดจักคิดคุณานุกูลกันแล้วกันพร้อมจะมาร่วมพนักิจตามกำลังตามเวลาตามความสามารถแต่สมาชิกเหล่านี้จะไม่ยอมผูกมัดตนว่าจะอุทิศเวลาความรู้ความสามารถช่วยคิดจักยังไง บางทียาๆนะพี่ไม่แน่ใจไม่มีเวลาไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าแต่ว่าเป็นสมาชิกนะไปเทะไปเทะมันเหมือนกับคล้ายๆข้อแรกอ่ะเป็นกองเชียร์หลายคนไม่อยากผูกมัดไม่อยากจะสัญญาสอนร้วบีไม่อยากจะสัญญาที่จะช่วยงานนั้นๆนี้กับคิดจักกลัวผูกมัดไม่ได้แต่เราผูกพันคร มาบสถ์คไม่ขาดมาบสถไม่ขาดแต่ไม่ยอมผูกมัดนะครับเราอาจจะผูกพันนะผูกพันก็คิดจกักโอ้ยมาถึงเวลาต้องมาแล้วไม่มาบสถไม่สบายใจรู้สึก ง, งั้นไหมครับวันอาทิตย์ไม่มาบสถแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ได้ผูกมัดจากที่เราอยากจะช่วยพนักเกิอะไรแต่แค่ให้มาแล้วเออมาถึงบสถนะแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจ แต่ไม่ได้ผูกมัดที่จะร่วมพันธกธิจหรืออะไรต่างๆกับตัวเองไม่กล้าที่จะสัญญาถวายไม่กล้าที่จะทำอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ไม่ยอมอยากจะผูกมัดพัดแล้วหลายคนอาจจะบงเล็บว่ากลัวทำไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นมาว่าอันนี้ก็แล้วแต่ประการที่ห้าติดเชื้อในกระแสเรือด ร่วมศาสนาพิธีแต่ไม่ลงลึกถึงความหมายและคุณค่าโอ้ไม่ได้อาทิตย์นี้มีมหาสนิทเราต้องไปโอ้อันนี้มีพิธีนี้เราต้องไปสมาชิกหลายคนครับจึงเป็นสมาชิกตามพิธีบางคนมาตามริสมัดกสเตอร์ต้องไปวางดอกไม้ที่หลุมศพบรรพบุรุษซะหน่อย หลายคนมาตามพิธีสมาชิกที่มุ่งมาร่วมศาสนพิธีในคิดจักมักจะมาร่วมศาสนพิธีตามเวลาตามโอกาสและจิตใจตัวเองจะเอื้ออํานวยและเมื่อมาสักระยะหนึ่งจะเริ่มรู้สึกว่าไปอย่างเดิมๆทุกอย่างก็เดิมๆอันที่จริงถ้ามาบวทุกอาทิตย์ก็เหมือนเดิมครผู้นํำก็จะขึ้นมาร้องเพลงเชิญลุกเชิญนั่งเดี๋ยวก็อธิษฐานบางทีก็เพลงก็เดิมๆผู้นํำก็เดิมๆ ซ้าไปซ้ามาก็เดิมๆครับคนเทศก็เดิมเราอาจจะรู้สึกอย่างนี้ฮะเพราะเรามีความรู้สึกแต่ถ้าเรามีความรู้สึกผูกมัดแล้วรู้สึกว่านี่มันมีคุณค่ามันจะอีกอย่างหนึ่งผมพูดที่บึงพระพรเหมกันว่าท่านท่องหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตทุกอาทิตย์เนี่ยยายมันท่องแบบแบบเป็นนกแก้วนกขุนทองอา่านตามแบบพระเยซูทุกครั้งเนี่ยท่านได้อะไรท่านยืนยนันอะไร หรือว่าอ๋อจบแล้วเป็นพธิธีเป็นรูปแบบเดิมๆร้องเพลงอันเนี้ยมันต้องเป็นอย่างเงี้<อ>เดี๋ยวชั่งอาทิตย์หนึ่งลองปรับโปรแกรมเลยคนจะรู้สึกว่าอ๋อไม่ใช่ละโบสเราไม่ใช่อย่างนี้โบสถ์เราเราจะรู้สึกว่าเราติดเย็ดว่ามันต้องเปลยนไปตามานี้นะหนึ่งสองสามสี่จนกลายเป็นว่าจะต้องเริ่มต้นหลับตาก็าไม่ต้องแจกแผ่นนี้ก็ก็บอกได้ เดี๋ยวจะต้องเทศเทศเสร็จร้องเพลงร้องเพลงเสร็จถวายทรัพย์ถวายทรัพย์เสร็ จ, รจประกาศงานประกาศงานเสร็จท่องได้หมดอ่ะเพราะแหละเพราะถ้าเราไม่ลงลึกนะเนีราก็จะมาเป็นพิธีการเหมือนที่อาจารย์ก็ถามว่าเราต่างอะไรจากสโมสรไหมต่างอะไรจากชมรมไหมอา้าวเลขานุ ก, การแต่กิจกรรมรายงานหน่อยก็รายงานเมื่อวันที่นั้นนี่มันก็จบอ่ะอันตรายของสมาชิกที่มาร่วมในคิด จ, จัก เพียงเพื่อร่วมในการประกอบพิธีทางศาสนาคลิทธ์เท่านั้นสมาชิกกลุ่มนี้จะไม่สนใจเรื่องคุณค่าความหมายของขีดจักรหรือภกิติคุณของพิสุทธิภววัจะนะไม่มีคุณหมายเอไม่มีความไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายหรืออิทธิพลต่อการเมนชีวิตท่านมาร่วมพิธีมหาสนิททุกครั้งท่านได้อะไรถ้ามันไม่มีความหมายผมว่าท่านซื้อขนมปังน้ําองุ่นมาทานเองก็ก็ได้ ที่โบดอย่างชิ้นเล็กๆไม่อิ่มไปซ้ํานะที่นี่ท่านต้องเห็นความคุณค่าเห็นความหมายที่โต๊ะมหาสนิทแต่ละครั้งแต่ละครั้งท่านได้ความหมายอะไรขนมปังคืออะไรน้ำม ง, งุ่นคืออะไรความหมายของพิธีมหาสนิทคืออะไรไม่ใช่มาแล้วโอ้สบายไม่ต่างกับหลายๆคนที่อาจจะ มีเพียงศาสนพิธี <c oughs> คิดจักเก่าแก่หลายคิดจักก็จะเป็นคิดจักที่มีแต่ศาสนพิธี <c oughs> ต้องการให้ตัวเองเจริญมั่งคั่งที่ปมาจากการเอื้ออาทรและใจกว้างผางสิ่งที่อันน่าอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่บ่อยครั้งสมาชิกของคิดจักรถวายทรัพย์สิ่งของแด่พระเจ้าสมาชิกส่วนหนึ่งหวังว่าเมื่อตนเองให้พระเจ้าพระเจ้าจะต้องอวยพรตัวเองแน่ นี่คืออันตรายครับคือครับนี่ยเราสิบรถไม่เคยขาดถวายนั่นถวายนี่ทําไมพระเจ้าไม่อวยพรทําไมเราไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไ ม, ไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้หลายคนทวงพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าเป็นนี่อันที่จริงทั้งสิ้นที่เร า, เรามีอยู่เนปะ็นของพระเจ้าทั้งนั้นว่าถ้าได้ท่านได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกท่านต้องเสียชีวิตมีประโยชน์อะไรไหมไม่มี ของที่ทีอยู่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของใครไม่มีผมเล่าว่าออคนแค่ไปส่งเราก็จบคนที่สองเราตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นก็คือทรัพย์สินเงินทองเราไหมครับก็เป็นของคนอื่นฮไม่เป็นของลูกของหลานถ้าไม่ทาพินัยกรรมไว้ไม่มีลูกมีหลานก็เป็นของทา ย, ยาทตามลาดับถ้าไม่มีของใคร ก็กลายเป็นของหลวงไป <c oughs> คนบ่อยครั้งใจเล็กๆของสมาชิคิดจากส่วนหนึ่งถวายด้วยหวังผลว่าตนเองจะได้รับพรมั่งคัง่งอันตรายคือถ้าไม่ได้รับความมั่งคัง่งสมใจก็จะเริ่มลดและและเลยในการถวายเพราะถวายแล้วไม่ได้ผลหลายคนคิดว่าโอ้ถวายแล้วถวายแล้วพระเจ้าไม่อวยพรเลยเราไม่ถวายแล้วไม่เห็นพระเจ้าให้เลยทาไมคนนั้นขึ้นมาเป็นพยานว่า ถวายแล้วพระเจ้าอวยพ ร, รทําไมคนนี้ถวายแล้วได้บ้านได้รถได้นะั่นต่างๆทําไมเราถวายแล้วไม่ได้เนี่นเราไม่ถวายล้วอันนี้ความคิดนี้ความคิดว่าถวายให้พระเจ้าโดยพระเจ้าจะอวยพรเนี่ยเรากําลังกําลังคิดผิดจริงๆแล้วทุกอย่างสิ่งของที่เรามีอยู่ล้วนเป็นของพระเจ้ารวมทั้งชีวิตของเราเราน่าจะขอบคุณพระเจ้าผมว่าเรามาถวายทุกวันนี้เป็นการขอบคุณพระเจ้าเป็นการสํานึกในพระคุณของพระเจ้า ที่พระเจ้าให้เรานั้นจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะมาบอกว่าต้องการให้ตัวเองเจริญบัางข้างแล้วถวาย <c oughs> หลายคนอาจจะคิดว่ามีคนหนึ่งเคยบอกว่าโอ้ผมไม่ได้ไปบทนะอาจารย์แต่ผมก็ฝากเงินถวายไม่ขาดพระเจ้าไม่ได้ต้องการแค่เงินถวายของคุณว่าคุณเอาเงินฝากคนอื่นมาถวายแล้วแต่พระเจ้าการให้เราถวายชีวิตของเราถวายจิตใจของเรา มีอาจารย์คนหนึ่งเคเทศนาว่าถ้าเราถาวายตัวของเรากระเป๋านั้นก็อยู่ในตัวเราเนี่ยก็เป็นของพระเจ้าด้วยเมื่อถวายตัวเราสิ่งที่เราไม่อยู่ก็เป็นของพระเจ้าด้วยสิ่งที่ที่หลายคนต้องการให้ตัวเองเจริญมั่งคั่งปราจากความเอื้ออาอนหลายคนมาบทเพราะต้องการให้พระเจ้าอวยพระพรแต่เมื่อพระเจ้าไมาอ่อวยพระพรเหมือนว่านนะพระเจ้าอวยพระพร อ, อะ แต่เขาคิดตามแบบของเขาว่าพระเจ้าไม่อวยพระพรไม่มาละทําไมพระเจ้าไม่ให้เงินเดือนขึ้นเยอะๆพระเจ้าทําไมไม่ให้หน้าที่การงานของเราเนี่ยทําไมไม่เลื่อนขั้นละ่ะทําไมไม่เลื่อนตําแหน่งละ่ะถ้างั้นไม่ไปโบสถ์ละหลายคนจึงมาเพราะหวังสิ่งเหล่านี้หลายคนก็ผิดหวังเพราะว่าไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการประการที่เจ็ดคนเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิดผล เรารู้สึกงี้ไหมคิดจักของเราหลายครั้งเราจะภูมิใจว่าโอ้โหวันนี้คนมาคิดจักแน่นไม่มีที่นั่งเลยผมก็พูดที่บึงพระพรหมกันนะช่วงหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เราไปแล้ว ร, รู้สึกว่าต้องมีเก้าอี้เสริมแต่เราต้องระวังนะครับคนเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิดผลเมื่อคิดจักพูดถึงเรื่องการเพิ่มพูนคิดจกักหลายคิดจักหมายถึงการที่มีคนมาร่วมมัสการ แล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแต่ละทิศแต่ละทิศอาทิตย์ที่แล้วมากี่คนเนี่ยห <c oughs> นึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดคนอาทิตย์นี้กี่คนไม่รู้เราอาจจะภูมิใจกับตัวเลขเราอาจจะภูมิใจกับเงินถวายผลไหมคิดจากเราเกิดผลไหมกวาม่าปีคิดจากเราขยายเกิดลูกขยายออกไปยังไงเกิดผลยังไง เราอย่ามัวแต่ภูมิใจว่าโอคิดจักเราอาทิตย์นี้ร้อยสี่ิบเจ็ดอาทิตย์ที่แล้วร้อยสิบเจ็ดอาทิตย์นี้ร้อยหกสิบโออาทิตย์หน้าร้อแปดสิบอาทิตย์นั้นถอดไปสองร้อยเราอาจจะขอบคุณพระเจ้านะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคิดจักที่เพิ่มขึ้นมีคนเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิดผลเงินถวายก็เพิ่มขึ้นเราอยากจะเห็นว่าคิดจักต่างๆเหล่านี้เอาไปตั้งคิดจักใหม่ได้กี่แห่ง ใส่ใจสมาชิกแต่ละคนในคิตจักรได้รับการดูแลเสริมสร้างให้มีชีวิตอย่างประคิดไหมรับใช้อย่างที่พระองค์เป็นแบบอย่างมากน้อยแค่ไหนคือเราต้องดูความเจริญเติบโตฝ่ายจีบันของสมาชิกด้วยบางครั้งเราอาจจะคิดว่าโอเคนะครับมาเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าการเพิ่มขึ้นไม่ดีนะ การที่คนมาขึ้นมากขึ้นน่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องให้มีการเจริญ เ, เติบโตมากขึ้นด้วยประการแปดมีแต่สมาชิกคิดจักแต่ไม่มีสาวกพักริ์เป็นไงไหม <c oughs> จากหลายแห่งในปัจจุบันละเริ่มละเลยลดทอนการใส่ใจการวางรากฐานพระชนะของพระเจ้าในชีวิตของสมาชิกใบต่างๆ ในคิดจักของตนเหลือแต่การสอนการเทศนานะครับคิดจักไม่มีกลุ่มเฉพาะที่จะเลี้ยงดูภูมิักนะครับถ้าเพิ่มเข้าไปก็ไม่ว่าจะเป็นละวีอนุชนเยาวชนอะไรต่างๆจนถึงผู้ใหญ่เพื่อช่วยให้สมาชิกจเจริญเติบโตในชีวิตของคิดชนด้านต่างๆคิดจักไม่ได้สร้างสาวกก็จะเป็นคิดจักที่มีสมาชิกที่ไม่ได้รับใช้พระคริสต์ก็คือมีคนชม ม, มีผู้ชมแต่ไม่มีผู้ชก มีสมาชิกนะฮะทะเบียนสมาชิกคิดจักมีเยอะจํานวนสมาชิกมีเยอะแต่หาคนทํางานมีน้อยนะครับหาคนทํางานมีน้อยเพราะเราไม่มีสาวกของพระคริสต์เรามีแต่สมาชิกกิดจักทําอย่างไรที่จะทําให้สมาชิกคิดจักเนี่ยกลายเป็นสาวกของพระคริสต์ได้ เขามีหนังสือแล้วก็มีหลักสูตรหนึ่งครับว่าสร้างสาวกเมกดนะ์เพิ่มเนี่ยมีคนพูดและมีสติผมก็ขออภัยไม่ได้เอามาให้ดูเขาบอกว่าถ้าเราประกาศแต่ละคนนะฮะหนึ่งคนเนะนํนำคนมาเชื่อพระเจ้าได้หนึ่งคนนะฮะหนึ่งคนนำะคนมาเชื่อพระเจ้าได้หนึ่งคนในหนึ่งปีเนี่ยนะฮะในสามสิบปีเนะี่ยเขาทำสติออกมา ก็จเจริญเติบโตได้ในระดับหนึ่งไม่มากแต่ถ้าคุณสร้างสาวกในสามสิบปีเนะี่ยประเทศไทยเนะี่ยจะมีคริสเตียนประมาณหกสิบล้านคนถ้าใช้สูตรการสร้างสาวกเนี่ยนะแต่ถ้าใช้สูตรของการประกาศหนึ่งคนเป็นนําคนมาเชื่อพระเจ้าหนึ่งคนเนะี่ยสามสิบปีเนะี่ยคริสเตียนไทยจะมีไม่กี่ล้านคนซึ่งมันต่างกันซึ่งมันต่างกันนั้นเขาบอกว่า การสร้างสาวกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญฉนั้นเราจะเห็นว่าคิดจักหลายแห่งคิดจักมีการพูดถึงการสร้างสาวกเป็นเรื่องสำคัญนั้นเราจะต้องสนใจงั้นคิดจักจะสนใจแต่เราเองก็ต้องเข้ามาร่วมด้วยครับพร้อมที่จะเป็นสาวก ค, ครับอย่าเป็นแต่สมาชิกที่จะเป็นสาวกของพีิจิต์อย่าพร้อมจะเป็นสมาชิก เอาคุณเป็นสมาชิก ค, คิดจากไหนเ อ, อคนาคริดคุณคาทกูลคิดจากนั้นคิดจากนี้เราอาจจะเป็นสมาชิกต้องการสาวกพี่ยอสุมีสาวกน้อยไม่มากแต่สาวกของโปรงนั้นมีคุณภาพแม้โปรงตายไปแล้วแต่ภารกิจของโปรงก็ยังอยู่และเจริญเติบโตขึ้นเพราะโปรงสร้างสาวกสา ว, วกโปรงสนใจสาวกสุดท้าย เชื่อในกระแสเลือดที่ก้าวคือทำตามหน้าที่โดยปราศจากความรักเมตตาในเคลตสตวรรษนี้มักมีคิดจักที่ทุ่มเทในการทำกิจกรรมมากมายบางครั้งทากิจกรรมจนทั้งจิตพิบาลสมาชิกกลุ่มหนึ่งเหนื่อยอ่อนหมดแรงครับเรามีกิจกรรมเยอะโอ้โยวันจันทร์ทำนั่นวันอังคารวันพุธประหัตศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้โหเจดวัน มีกิจกรรมตลอดโอ้ oh, อาจารย์ปฏิทินของอาจารย์นี่ไดอารี่อาจารย์เต็มหมดอะของขจักเต็มแต่หัวใจของสมาชิกกลับบ้างเปล่าคือมีกิจกรรมมากมายสมาชิกร่วมกันทํากิจกรรมเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่เพราะเห็นแก่ศีลอยิบาลและทํากิจกรรมเหล่านั้นโดยปากจา ก, กจิตใจที่รักเมตตาแต่จะเอาอแต่จะแย่เอามากๆ ถ้าทำด้วยใจที่เย็นชาอันนี้ท่านก็ให้ขอ้อความพีไว้ครับเราต้องทำด้วยความรักความเมตตาถ้าเราไม่ได้ทำด้วยความรักความเมตตานะครับมีกิจกรรมหูวันจันถึงวันอาทิตย์เจ็ดวันไม่เคยหยุดแต่หัวใจสมาชิกกลับบ้างเปล่าอันนี้ก็อันนี้ก็น่าคิดมีกิจกรรมเยอะ ถ้ากิจกรรมเยอะเราก็ไม่ต่างเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเราเป็นเพียงแค่กิจกรรมเราไม่ต่างจากสโมสรไม่ต่างจากอื่นๆที่เขาทําไม่ต่างจากชมรมที่เขาทําแต่คิดจากเราทําด้วยอะไรครับด้วยความรักความเมตตาของพระเจ้าทําเพื่อต้องการเหรียญรางวันเราไม่ต้องการทำเพื่อคํายกย่องชมเชยของใครแต่เราทําด้วย การที่เราอยากจะตอบสนองพระคุณความรักธรรมชาติทำด้วยความรักความเมตตานั่นจึงเป็นสิ่งที่ที่สำคัญที่ผมอยากจะเน้นย้ำว่ากลับมามองผมเองผมอ่านทั้งก้าวข้อนี้ผมก็มาทบทวนตัวเองด้วยเราทำอะไรเราเป็นผู้ชมหรือเป็นผู้ชคเป็นสมาชิกหรือเป็นสาวกเราทำตามหน้าที่ หรือเราทําได้ความรักความเมตตาถ้าเราทําตามหน้าที่ทุกอย่างก็โอเคนะครับมาร่วมร่วมวร่วมกันเสร็จแล้วก็กลับรวมรวมรวมรวมกินข้าวอฏิฐานร่วมกันเราจะกลับละจบนี่คือสิ่งที่แล้วท่านก็ทิ้งท้ายสองคำถามที่ผมก็คิดว่าเราจะต้องมาคุยกันว่าถึงเวลาที่คิดจักจะถอนพิษออกจากกระแสะเลือดของตนหรื อ, อยังครับ ถามแล้วจะถอนพิษติดเชื้อในกระแสะเลือดของคิจักอย่างไรดีครับสองคำถามนี้เป็นคําถามที่ต้องถามว่าเราจะถอนพิษออาจากกระแสะเลือดของตนเองหรืออย่างของตนหรืออย่างครับนะคิตจกักรจะถอนหรือยังคิตจักรสองมิติที่ผมพูดหนึ่งตัวเราเริ่มที่ตัวเร า, เรเราก็ะสอนก็หลายหลายคนเริ่มก็จะขยายออกไป เราจะเรียกร้องคนอื่นแต่เราเริ่มจากข้างในของเราครับโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยพระองค์ไม่ได้ไปเรียกร้องให้ใครมาร่วมเรื่อะไรต่างๆแต่พระองค์ทำให้ดูให้เห็นเริ่มจากข้างในใช่ไหมพระองค์บอกว่าเริ่มจากข้างในระเบิดจากข้างในจากข้างในออกไปแล้วก็จะขยายออกไปคนอื่นก็จะ <c oughs> มีหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้ แต่พรงทํทำจากข้างในออกไปเริ่มจากตัวของพระองค์เองข้างในออกไปมีไหมในรั้วในวังกษัตย์จะต้องเลี้ยงปลาต้องเลี้ยงวัวต้องปลูกข้าวต้องทำอะไรไม่มีแต่บรงเป็นแบบอย่างเริ่มจากทำให้คนเห็นลงบอกดูนี่ บอกเด็กๆว่าดูในขณะที่โปรมีร่างกายแข็งแรงครเดินเขาเดินป่าจนหมอที่ตามสเสด็จถึงบอกเดินไม่ค่อยทันเลยต้องกลับมาฟิตร่างกายพอโปรมท่านเดินครับแล้วก็อย่างเร็วด้วยไม่ใช่เดินบนพรมแดงไม่ใช่เดินบนอะไรต่างๆที่ปูเหมือนในเมืองเดินบนเขาเป็นแบบอย่าง เริ่มจากข้างในพิษติดเชื้อในกระแสะเลือดของคิดจักรอย่างไรดีครับเริ่มจากตัวเราผมจะไม่ถามคนอื่นผมถามตัวผมถามตัวผมว่านี่แหละครับทั้งแปดเก้าประการเนี้ยเราเป็นผู้ชมหรือผู้ชกเราถามตัวของเราถ้าวันนี้เราจะเริ่มเป็นผู้ชกเราบอกเราขอเป็นผู้เล่นเป็นผู้ชกเราเรียนพระมีเราฟังพระนะของพระเจ้า เงอร์มีความรู้น้ำว่าคนสอบได้ <c oughs> เกียรตินิยมแล้วจะจะเก่งเสมอไป <c oughs> อิทธิพลต่อาการเงินชีวิตมีคนเล่าเรื่องหนึ่งบอกว่าของทางเรียนน้วีทุกคนก็เพ่งเลงไปที่เด็กยากจนคนหนึ่งว่าเด็กคนนี้จะต้องเป็นคนที่ขโมยของแน่ แต่ใช้จับได้คือเด็กคนที่ขโมยนะเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีและที่ยิ่งไปเด็กคนนี้สอบได้ที่หนึ่งของพระคมภีในชั้นเรียนท่านที่น้องที่รักครับบางครั้งความรู้ของเรามีเยอะแต่ถ้ามันไม่มีผลต่อการเมือชีวิตเราอาจจะตอบพระคำพีว่า ควมผีตอนนั้นอยู่บทไหนข้อไหนบางคนหน้าไหนบางคนบอกด้วยบรรทัดไหนแต่ถ้าท่านไม่เอามามีผลต่อการมรรจิตมันไม่มีคุณค่าอะไรเราสนใจตัวเองหรือเราเริ่มจะสนใจคนอื่นสนใจคนรอบข้างเราหรื อ, อยังนคนที่ผูกพันแต่ไม่ยอมผูกมัดเราจะเริ่มผูกมัดตัวเองกับคิดจักได้ไหมเราต้องถามว่โอเคเราพร้อมที่จะทุ่มเท หรือเราผูกพันแล้วอาจารย์ดีแล้วไปเถอะเดี๋ยวจะถวายหรือจะช่วยเราจะร่วมแต่ศาสนพิธีไปถึงความหมายคุณค่าหรือเราต้องการให้ตัวเองจเจริญมั่งคั่งมาโบสต้องการอย่ามารับพร อ, อย่างเดียวจากการเอื้ออาทรใจกว้างขวางฉันมาโบสฉันจะมาถวายฉันจะมารับพรขอพระเจ้าได้ ให้หน้าที่การงานกับฉันขอพระเจ้าอุยภพนให้ฉันแข็งแรงขอพระเจ้าอุปภพนให้ลูกฉันมีหน้าที่การงานที่ดีจเจริญเติบโตเราต้องการมาบทเพียงแค่นี้เลยเพิ่มแต่ไม่เกิดผลเป็นไงไหมชิกหรือจะเป็นสาวกจะทำตามหน้าที่หรือจะทำด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะอุปพน ขอพระจที่จะหนุนใจเรานะครับวันนี้เราลองตรวจร่างกายของเราว่าเราพร้อมที่จะถอนพิษเชื่อในกระแสะเลือดหรื อ, อยังจะต้องให้ยาแรงบางทีอาจจะต้องใช้เวลาแล้วเราจะถอนพิษยังไงผมบอกไงเริ่มตนเองเราคุยกับตัวเองเราผมไม่กล้าที่จะไปบอกหรือจะไปสรุปไปอะไรต่างๆ แต่เริ่มจากตัวเองว่าอันไหนที่เรายังไม่ดีอันไหนที่เรายังไม่พร้อมให้เราอธิษฐานเราขอกำลังจากพระเจ้าที่เราจะสามารถทำได้อาเมน